นาคีอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งวันนี้ได้กล่าวถึงพวกกุฟฟาตมักกะฮ์บางคนซึ่งภาคภูมิใจในพลังของพวกเขาแล้วก็ได้ดื้อรั้นสัจธรรมและปฏิเสธท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาได้ใช้จ่ายทรัพย์ออกไปในการอวดอ้างและการประกวดประชันกันโดยคิดว่าการจ่ายทรัพย์สมบัติไปนั้นจะช่วยผลักดันการลงโทษของอัลเลาะห์ให้พ้นไปจากพวกเขา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 ਅਲਮ ਨਜਅਲ ਲਹੁ ਅਯਨੈਨ ਵਲਿਸਾਨਹੁ ਵਸ਼ਫਤੈਨ ਵਹਦੈਨਾਹੁ ਨਜਦੈਨ ਰਾਮੀ ਡਾਈ ਥਮ ਹਾਈ ਮੀ ਦੂਅੰਤਾ ਥੰ ਸੌਂ ਖਾਂਗ ਕੈ ਖਾਓ ਡੌਕ ਰੂ ਲੈ ਲਿੰਨ ਲੈ ਰਿਮ ਫੀ ਪਾਕ ਥੰ ਸੌਂ ਦੂਅਏ ਲੈ ਰਾਓ ਡੈ ਚੀਨੈ ਤਾਹੰ ਹੈਂ ਕਵਾਮ ਦੀ ਲੈ ਕਵਾਮ ਚੂਆ ਕੈ ਖਾਓ ਲੈਓ ਸਲਕੁ ਤਹਮਲ ਅਕਬਾ ਤਾ ਵਮਾ ਅਦਰਾ ਕ ਮਲ ਅਕਬਾ ਫਤੁਰਕਬਾ ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ภาคเพียรในความยากลําบากและอันใดเล่าที่จะให้เจ้ารู้ว่าทางลําบากนั้นคืออะไรคือการปล่อยทาสซักระกะซะติอออิตอามฟิยอมมีมัสกะดะติยะติมันซามะกุรบะคือการปล่อยทาสหรือการให้อาหารในวันอันหิวโหยแก่เด็กกําพร้าที่เป็นญาติใกล้ชิด او مسكينا دامت تربه ريكن خطصل مอมแมม อยู่กับบิน ثم ما كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالرحمه แล้วเขาก็ได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาและตักเตือนกันให้มีความอดทนและตักเตือนกันให้มีความเมตตา اولائك اصحاب الميمنه คนเหล่านี้คือพวกฝ่ายขวาวัลลซีนะกะฟะรูบิอายาตินาฮุมอัศฮาบุลมัชอะมะส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆของเราพวกเขาคือพวกฝ่ายซ้ายอะลัยฮิมนะรุมมุศาดะบนพวกเขานั้นมีไฟนรกครอบคลุมอยู่อย่างวิจิตร